ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตะปะพระบุพพสิกขาและบุพพสิกขาวันน า, นาพระอมราธิรสิตะอมรโรเกิดวัดบ ร, รมนิวาสรัจนาต่อไปจากแสดงอันโตวุทธะยาวกาลิกยามะกาลิกสองอย่างนี้เก็บไว้ในอกักติยากุดี ชื่อว่าอันโตวุฒะหมายถึงเก็บไว้ในภายในหุงต้มให้สุกในอากับยักกูดีนั้นชื่อว่าอันโตประกาก็คือทิ่สุหุงต้มให้สุกเองชื่อว่าสามประกะอันโตประกาศนี่หมายถึงให้สุกในภายในสามารถประกาศนี่หมายถึงให้สุกเองทั้งสามสิ่งนี้ฉันเข้าไปต้องอบัตทุกกฏสามตัวเลย ก็คือเอายามะกาลิกสิ่งที่เป็นอาหารกับยามะกาลิศสิ่งเป็นน้ําผลไม้เนี่ยเป็นน้ําประนะเอาไเก็บไว้ในอาตัยาิยักบุดีชื่อว่าเป็นอันโตวุฒะด้วยเก็บไว้ในภายในชื่อว่าเป็นอันโตประกาศถ้าเอาไปหุงในอาตัดยักุดีนั้นไปหุงทําให้สุกเป็นอันโตประกาแล้วก็ถ้าทําให้สุกเองเกาชื่อว่าสามารประกะด้วยฉันก็ไปเจ้าบาทุกดสามตัว ฉันแต่สองสิ่งต้องทุกกดสองตัวฉันแต่สิ่งเดียวต้องทุกกดตัวเดียวด้วยทรงค่าไหมว่าณนะพิฆเวอันโตวุฒังอันโตปั ก, กังสามะปักกลงปริพุนชิตบังก็ความละอันโตเจพิขเววุฒังอันโตปักังสามะปักกลงปัญเจปริพุนชยะอาปาติตินนงังดุ ก, กตาณาังบะยิเจพิขเววุฒังก็ความละอนาปาติ ดังนี้พิจุจะหุงต้มซึ่งอาเมรสิ่งใดสิงหนึ่งไม่ควรจะหุงต้มอุ่นซึ่งของที่สุกอยู่แล้วอย่างเดียวจึงควรถ้าแลทายกเขานปนกระเภาหรือขิงหรือว่าเกลือลงในข้าวต้มร้อนให้แก่พิจุใสแม้พิสุจะรักคนจะสั่นข้าวต้มนั้นไม่ควรจะทําใหุ้กไม่ควรแต่จะัะคนด้วยคิดว่าจะให้ข้าวต้มเย็นควรอยู่ก็คือ คุยุยคุยคยเพื่อจะให้ข้าต้มเย็นนี้ไม่เปรนยไรแต่ว่าจะให้พวกผักชีพวกผักที่ยังไม่สุกหรือว่าขิงอะไรต่างให้สุกอันนี้ไม่ได้ไม่ควรแม้ได้ข้าวท้องเลนมาจะปิดไว้ให้ระงงมให้สุกก็ไม่ควรถ้าแลทายกเขาปิดถวายควรอยู่จะปิดด้วยคิดว่าจะไม่ให้ข้าวสุกเย็นเสียก็ควรแต่นมสดและเปลี่ยนเป็นต้น เมื่อเดือดพุ่งทีหนึ่งแล้วจะติดไฟควรอยู่เพราะของสุกแล้วจะให้สุกอีกได้อยู่ด้วยพระองค์ทรงอนุญาตว่าอนุชานามิพิคเวข้อความละปูณะปากังปะจิ ต, ตุงดังนี้ก็คือทำิ่งที่สุกแล้วให้สุกไม่จะได้จักแสดงในกัปปิยกุฎีซึ่งเป็นที่ทาอามิ t ให้พ้นจากอันโตวุฒะอันโตปะกะถ้ามีกัปปิยกุฎีนี่เอาพวกยามกาลิ พวกยาวาคาริษยามะการิษเนี่ยเอาไปเก็บไว้ในกับยักวดีนี่ก็ไม่เป็นอันโตวุฒิและก็ไม่เป็นอันโตปะกะด้วยพระองค์ทรงอนุญาตเลยว่าอนุชานามิพิเทเวข้อความละจะตัโกกับยักภูมิโยอุตสาวนันติกังโคนิสาดิกังขะหาปฏิกังสัมมติกังแปลว่าเราจะถาคตอนอนุญาตกับยักภูมิ ที่ควรเก็บและหุงต้มอามิตรได้กี่อย่างคือหนึ่งอุตสาวะนันติกาที่มีอันให้ได้ยินขึ้นเป็นที่ตดสองโคนิสาบิกาที่ดุดโคนั่งหรือว่าโคจอมสามกะหะปติกาที่เป็นของกษัตริยดี 4. สี่สมมติกาที่อันสงสมมุติไว้จะว่าด้วยอุตสาวะนันติกาก่อนพึงํำดังนี้ กุดีใดจะทำบนเสาทั้งหลายหรือจะตั้งเชิงฝาลงไปศิลาหรือและที่รองรับเสาข้างล่างแห่งกุดีนั้นเป็นคติแห่งพื้นแท้แต่เมื่อจะตั้งเสาทีแรกหรือว่าเชิงฝาทีแรกพิสูจทั้งหลายมากด้วยกันเมื่อล้อมกันเข้าเปล่งวาจาว่ากัปติยะกูติงกะโรมะกระทั่ซึ่งกัปติยะกุดีดังนี้อยู่สามหนเมื่อมนุษย์ทั้งหลายยกขึ้น จะให้เสาและเชิงฝาตั้งลงพึงถูกต้องหรือว่ายกขึ้นเองซึ่งเสาและเชิงฝาตั้งลงแต่ว่าในกุรุนทีและมหาปัญจลีกล่าวว่าให้พิกษุทั้งหลายพึงกล่าวว่ากัปปิยกูดีกัปปิยกุดีดังนี้แล้วก็ตั้งลงในอันทะกัตถกถาว่าให้พิกษุพึงกล่าวว่าสังคสสะกัปปิยกุติงอธิษฐานะข้าพเจ้าขออธิษฐานกัปปิยกุดีของสง ดังนี้แต่แม้จะไม่กล่าวคำนั้นและกล่าวตามอย่างดังว่าแล้วในอาตกถาทั้งหลายก็ไม่มีโทษแต่ว่าอันนี้เป็นลักษณะทั่วไปในอาตกถาทั้งหลายนั้นคือลักษณะของคับยกุดีที่เป็นอุตสาวนาติการที่ลักษณะอย่างนี้ก็คือตั้งเสาลงถึงพื้นกับจบสุดคำพร้อมคราวเดียวกันจึงควรคาว่ า, ากับยกูติงกโรมานี่นะ ให้อธิษฐานพร้อมกับให้วางเสาลงที่พื้นให้จบพร้อมกันจึงควรด้วยว่าถ้าเมื่อคำยังไม่จบเสาถึงพื้นเสียก่อนหรือว่าเสายังไม่ถึงพื้นคำกล่าวจบเสียก่อนก็ไม่เป็นอันธรรมกับพิญักูดีเพราะเหตุนั้นในมหาปัญจเรยจึงกล่าวว่าให้พิจุมากด้วยกันพึงล้อมกันเข้ากล่าวเถิดด้วยว่าในพิจุเหล่านั้น จบคำกับเสาตั้งลงถึงพื้นแห่งเทินแม้องค์หนึ่งจะพร้อมกันเข้าในคราวเดียวได้เป็นแท้แต่ในกุดีฝาจะทำด้วยอิฐหรือว่าสีดาหรือว่าดินก็ดีจะก่อถมขึ้นหรือว่าไม่ถมขึ้นก็ตามปราถนาจะตั้งฝาขึ้นแต่อิฐและสีดาและก้อนดินใดพึงเถือเอาอิฐหรือสีดาหรือว่าก้อนดินทั้งพวงนั้นเป็นที่แรกเป็นสาคัญ จึงทงกับปิยกูดีโดยในดังกล่าวแลเธอด้วยว่าอิดและตีลาและก้อนดินที่อยู่ข้างใต้แห่งอิดและติลาและก้อนดินซึ่งเป็นที่แรกตั้งฝานั้นไม่ควรคือว่าเป็นของจมอยู่ในดินแต่เสานั้นสูงขึ้นมาบนดินเพราะเหตุนั้นจะจับเสานั้นกล่าวว่ากับปิยกูดีกโรมะจึงควรในอันทะกัตถกตถากล่าวว่า กุดีเมื่อจะทําด้วยเสาทั้งหลายพึงอธิษฐานเสาทั้งสี่ต้นในมุมทั้งสี่เมื่อจะทำด้วยอิดเป็นต้นก็พึงอธิษฐานอิดสองสามแผ่นในมุมทั้งสี่แต่แม้เมื่อไม่ทําเช่นนั้นก็ไม่มีโทษด้วยว่าคําที่กล่าวในอธิษฐานทั้งหลายนั่นแหละเป็นประมาณอันนี้ก็เป็นอุสาวรรณติกาก่อนให้ได้ยินเสียงขึ้นเป็นที่สุดเสียงว่ากับยักุูติงกะโรมะกับยัก กูดีอันที่สองก็คือโคนิสาดิกาโคจั่งหรือว่าโคนั่งจากว่าด้วยโคนิสาดิกากับยักภูมิชื่อว่าโคนิสาดิกามีสองอย่างคืออารามะโคนิสาดิกากับมิหาระโคนิสาดิกาในที่ใดวัดก็ไม่ได้ล้อมเสนาสนะคือกูดีก็ไม่ได้ล้อมอันนี้ชื่อว่าอารามะโคนิสาดิกา ส่วนในที่ใดเสนาสนะทั้งหมดหรือว่าบางแห่งล้อมแต่ว่าวัดไม่ได้ล้อมอันนี้ชื่อว่าวิหารโคนิสาฎิกาความที่อารามไม่ได้ล้อมนั่นแหละเป็นประมาณในกัปยภูมิชื่อว่าโคนิสาฎิกาทั้งสองนี้ก็แต่อารามคือวัดล้อมกึ่งหรือว่าล้อมมากชื่อว่าเป็นอันล้อมคำอันนี้กล่าวไว้ในปุรุนทีและมหาปัญจรี ควรจะได้กับปยกุดีอย่างอื่นในวัดที่ว่าล้อมนั้นเรือนของก็รหัสชื่อว่าข้าปฏิกาโดยสังเกตถ้าวัดนั้นไม่ได้ล้อมจึงสามารถที่จะมีกับปยกุดีที่เป็นโคนิสาธิกาได้ซึ่งจะเป็นอารามะโคนิสาธิกาหรือว่าเป็นวิหารโคนิสาธิกา็าตามแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อารามนั้นล้อมแล้วก็ควรจะต้องทากับปยกุดีอย่างอื่น คนณีสถาิกานี้ไม่ได้ต่อไปจะว่าด้วยกับยัคภูมิชื่อขหาปฏิกามนุษย์ทั้งหลายสร้างอาวาสและกล่าวว่าข้าพเจ้าถวายกับยัควดีท่านจงบริโภคเถิดดังนี้กับยัคดีนั้นชื่อว่าขา้าหาปฏิกาแม้เขากล่าวว่าข้าพเจ้าถวายเพื่อทํากับยัควดีดังนี้ก็ควรแท้แต่ในอันท่ากัตถกถากล่าวว่า รับประเคีนแต่มือแห่งสาธรรมิกอันเศษก็คือภิกตุนีนสรคมนาสาเนียนสำเนรีตยกภิกตุเสียและรับประเคีนแต่มือแห่งเทวดาและมนุษย์ทั้งปวงกอดีและสันนิธิและอันตวุธะซึ่งเป็นของแห่งสาธมิกอันเศษและเป็นของแห่งเทวดาและมนุษย์ทั้งปวงนั้นย่อมควรแต่ภิกตุเพราะเหตุนั้นแลเรือนแห่งคนเหล่านั้นเป็นต้นว่าสาัทมิกอันเศษก็ดี หรือกัปยกุดีที่คนเหล่านั้นถวายก็ดีชื่อว่าขะหะปติกาในอัจถริานั้นท่านกล่าวอีกว่ายกแต่วิหารแห่งพิกจุสงเสียที่อยู่แห่งนางพิกษุณีหรือที่อยู่แห่งคนรักษาวัดหรือที่อยู่แห่งเดียรถีแห่งเทวดาแห่งหนาอันหนึ่งแม้วิมานแห่งทมก็ดีชื่อว่าเป็นกัปยกุดีชื่อว่าเป็นกัปยกุดีได้ทั้งนั้นเลยเป็นประเทศขะหะปติกา คำในอันท่ากัตถะฐานนี้ชื่อว่าท่านกล่าวดีก็คือใช้ได้ถูกต้องด้วยว่าเป็นของสงหรือเป็นของพิสุอย่างเดียวไม่ชื่อว่าเป็นข้าปฏิกุดีได้ก็คือเป็นกาตยะกุดีที่ชื่อว่าข่าปฏิไม่ได้ถ้าเป็นวิหารของสงหรือว่าเป็นของพิสุปฏิวิหารของพิสุของสงเนี่ยเอามาทําเป็นข่าปฏิตาไม่ได้ แต่ว่าของคนอื่นนอกนั้นาศาสมิธิเหลือได้หมดแม้กระทั่งวิมานพรมก็ยังได้กับปิยกุฎีอยา่างที่สีจะว่าด้วยกับปิยภูมิชื่อว่าสัมมติกากับปิยกุฎีที่สงส่วนสมมุติด้วยยติทุติยกรรมวาจาชื่อว่าสัมมติกาเดิมเหตุพระองค์จะทรงอนุญาตกับปิยกุฎีชื่อว่าสัมมติกานี้ตรัสแก่พระอานอนท์เถระว่าดูกอ่อนอนนท์ ถ้ากรณนั้นสองจงสมมุติวิหารคือกูดีตั้งอยู่ในที่สุดให้เป็นกัปปิยะภูมิแล้วให้ทายกเอาอามิดเข้าอยู่ในกัปปิยะภูมินั้นสงจะจำงเสนาธนะใดเป็นวิหารหรือว่าอัทธโยคะหรือปราสาหรือว่าหัมมิยะก็าตามเพิ่งสมมติกัปปิยะภูมิดังนี้ให้พิษุผู้ฉราดสามารถยังสงให้รู้ด้วยรมวาจาดังนี้ว่า สุมาตตเมผันเตตั้งโคอิทันนามังวิหารังกัิยคูมิงสัมมัญญาโกคำละทารยามิในอรตถาว่าคำซึ่งว่าปัจจันติมังว่าวิหารตั้งอยู่ในที่สุดนั้นเป็นศัพท์แต่ว่าคำกล่าวดอกแต่เพราะพระองค์กล่าวว่าสงจะจำนงเสนาธนาไหนจะเป็นวิหารหรือว่าอัธโยคะ เป็นป้นประตามดังนี้แม้จะสมมติกุดีใกล้ก็ควรและจะไม่กล่าวการรมวาจาแม้จะสมมติกับปยักุดีนี้ด้วยอัปโลกนกรรมก็ควรแท้ก็ใช้ได้นะจะสมมุติด้วยยติทุรยกรรมวาจาหรือว่าจะทําอัปโลกนกรรมก็ได้ก็แลอามิตอันใดที่อยู่ในกัปยะภูมิทั้งสี่ดังกล่าวมานี้อามิตรทั้งปวงนั้นไม่ถึงซึ่งอันนับว่าเป็นอันโตวุทะ คือไม่ใช่เป็นการเก็บไว้ในภายในที่ไม่สมควรแต่ว่าเป็นสิ่งที่สมควรพระองค์ทรงอนุญาตกับยัภูมิสี่อย่างนี้เพื่อจะให้พ้นจากอันโตวุฒะแล้วก็อันโตปะกะแกท่ทิสุและทิสุนีทั้งหลายแต่อามิสอันใดเป็นของสงหรือเป็นของบุคคลอยู่ในเรือนคือเสนสณะอันพอจะให้เป็นสหเสยะในอัคยัภูมิแม้จะตั้งไว้สักคืนหนึ่งในที่เช่นนั้น อา mith อันนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นอันโตวุฒะหุงต้มในที่เช่นนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นอันโตปกะด้วยอา mith นั้นไม่ควรแต่สัตตหากาลิษมีเนยใสเป็นต้นและยาวะชีวิตย่อมควรคือว่าเก็บไว้ในที่เช่นนั้นได้ก็คือจะไปเก็บไว้ในอากาพิยักกุติก็ไม่เป็นไรสำหรับสัตหาการิษกับยาวชีวิตไม่เป็นอันโตวุฒะไม่เป็นอันโตปะกะจากวินิจฉัยในเนื้อความเหล่านั้น เหมือนสามเณรเอาอามิตรเป็นต้นว่าข้าวสารของพิจุไปเก็บไว้ในกัปยกูดีพอรุ่งเช้าหุงมาถวายอามิตรนั้นก็ไม่เป็นอันตวุธะเพราะว่าไปเก็บไว้ในกัปยกุดีที่สมควรแต่ว่าเอาสัตห์ทห า, ารลิบเป็นต้นว่าเนยใสสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเก็บไว้ในอกกัปยกุดีไปเจือลงในอามิตรนั้นด้วยแล้วก็เอามาถวายชื่อว่าเป็นมุขะสันนิชิ ไปเอาสัตตหาการิทที่ไปเก็บไว้ในอกับยกุดีมาปนกับอามิตรที่เก็บไว้ในขับยักุดีมันก็เดยกลายเป็นมุขสันนิธิแต่ในมหาปัญจเรีว่าเป็นอันโตวุท ธ, ธะก็คือไปเก็บไว้ในอกับยักุดีที่ไม่สมควรนั่นเองในคําเหล่านั้นแปลกันแต่เพียงชื่อเท่านั้นเองก็คือเป็นสันนิธินั่นแหละอันโตุท ธ, ธะอันเดียวกันเทียบตัเอาเนยใสซึ่งเป็นสัตตหาการิช และใบไม้ซึ่งเป็นยาวะชีวิตเก็บไว้ในอากาศพิญคูดีเจียวด้วยกันไว้บริโภคของนั้นควรฉันตัดจากอามิตรได้เจ็วันเพราะว่าเป็นตัดตาหาตาฤกษ์กับยาวะชีวิตแม้จะเก็บไว้ในอากาศพิญคูดีก็ไม่เป็นไรไม่ชื่อว่าเป็นอันโตุทะถ้าทําเนยไถและใบไม้นั้นให้ระคนกับอมิตรบริโภคนี่จึงจะเป็นอันโตุททะด้วยเป็นสามารถประกะด้วย คามรวบรวมตะคนปนกาฤิธกังปวงให้พึงรู้โดยอุบายนั้นเถิดนั่นก็ต้องดูว่าเป็นอะไรเป็นสัตรากฤตเป็นยาวะชีวิตเก็บไว้ในอากาศพิจักกุฎีได้แต่ถ้าเอาไปปนกับยาวะกาลิกเมื่อไหร่อันนี้ก็กลายเป็นธันนิษฐิไปกลายเป็นอนุวุฒะไป ก็แสกับปิยกุดีทั้งสี่เหล่านั้นเมื่อไรจะมาละวัตถุคือว่าเมื่อไรจะชิบหายกลายเป็นอตตปิยกุดีไปจะว่าด้วยอุตสาวนันติกากรกับปิยกุดีชื่อว่าอุตสาวนันติกาอันใดที่ทําบนเสาหรือว่าฝังเชิงฝาลงไปทําขึ้นไว้กับปิยกุดีนั้นเมื่อเสาและเชิงฝาทั้งปวงเขาถอนหรือไปหมดจึงชื่อว่ามาละวัตถุ เสาเชิงฝาเหล่านั้นหมดไงสิ้นไปหมดแล้วก็กลายเป็นอัตติยกุตีมะละที่กมร ะ, ะวัตถุมะละที่ไปถ้าในใคนทั้งหลายเขาผลักเสาและเชิงฝาเสียสาและเชิงฝาอันใดยังตั้งอยู่ความที่เป็นกัปปิยกุตีก็ตั้งอยู่ในเสาและเชิงฝาอันนั้นเมื่อเสาและเชิงฝาทั้งปวงขอผลักให้ล้มเสียหมดกัปปิยกุตีนั้นชื่อว่ามะละวัตถุมะละที่ แต่กุดีที่เขาก่อด้วยอิฐนั้นเมื่อชิบหายทั้งหมดจนถึงอิฐหรือศีดาหรือก้อนดินที่แรกที่ก่อขึ้นบนฐานเพื่อจะเป็นฝาหมดแล้วเมื่อใดเมื่อนั้นจึงชื่อว่ามะละวัตุมรรที่คือไม่เป็นกัปพยะกุดีแต่อิฐและสิดาและก้อนดินที่แรกที่อดิฐานในนั้นแม้เขาหรือถอดเอาไปเสียอิฐเป็นต้นที่เขาก่อฝาอันอื่นยังมีอยู่ ความเป็นกัปปิยกุดีนั้นก็ยังคงอยู่ในอิฐหรือสิราหรือว่าก้อนดินอื่นนั้นยังไม่ชื่อว่ามละที่ไปวัตถุที่เอามาตั้งไว้นั่นแหละที่เอามาตั้งไว้แล้วก็เป่งวาจาว่ากัปปิยกุดีกรโอมะนั่นแหละวัตถุนั้นน่ะเมื่อมันมรรคไปหมดแล้วก็ถึงจะเสียความเป็นกัปปิยกุดีไปกัปปิยะกุดีชื่อว่าโคนิสาธิกานั้น เมื่อเขาล้อมวัดด้วยกำแพงเป็นต้นเข้าแล้วก็ชื่อว่ามาละวัตถุกลับเป็นอากาปิยกุดีไปควรจะได้กัปยกุดีอย่างอื่นในอารามนั้นใหม่ถ้าแม้กำแพงวัดเป็นต้นหักขาดในที่นั้นๆโคทั้งหลายเข้าได้แต่ที่นั้นๆก็เป็นกัปยกุดีอีกก็แปลกนะเนี่ยหมายถึงว่าถ้าไม่ล้อมรั้วเมื่ อ, อไหร่ถึงจะเป็นกัปยกดีวัดล้อมรัร้วก็กลายเป็นอากาพยกิยกดีไป แต่กลับไปเยกคุดีทั้งสองนอกนั้นก็คือสหาปติกากับสมมติกาเนี่ยเมื่อหลังคาทั้งกวงคิดหายเปิดหมดแล้วเหลืออยู่แต่มาตรว่ดกลอนจึงเป็นอันมลละวัตถุถ้าปะคตาสะกะมนทนแม้อันหนึ่งในเบื้องบนแห่งกลอนทั้งหลายยังมีอยู่ก็ยังรักษาอยู่ยังไม่มลละวัตถุ เครื่องมุงเป็นต้นว่าหญ้าและใบไม้ที่ตั้งอยู่ในเบื้องบนแห่งกรอนสามอันในข้างข้างหนึ่งนั้นชื่อว่าปัจขตาสกามนทนก็คือเครื่องมุงใบไม้ต่างๆนั่นเองถ้ายังมีอยู่ในเบื้องบนก็ยังรักษาอยู่ก่อนถ้าหมดไปแล้วก็พาละวัตถุถามว่าก็กับปิยภูมิทั้งสี่นี้ไม่มีในที่ใดในที่นั้นพิจุจะพึงทําอย่างไร แก้ว่าทิฏฐุพึงให้อามิตรแก่อนุสัมปันธ์เสียทำให้เป็นของอนุสัมปันธ์เสียให้ขาดอาลัยแล้วบริโภคเถอดก็ให้สามเณรไปหึืว่าให้คนวัดไปแต่ว่าคนวัดสามเณรเหล่านี้ก็ต้องฉลาดเหมือนกันนะทั้งทิฏุให้ไปก็เลยฉันหมดเลยทิฏฐุก็เลยอดก็ต้องมีการศึกษามีการให้เรียนรู้เรื่องกับยะภูมิว่าถ้าในมีกับพยิยัพภดีเหล่านี้แล้วจะต้องทําอย่างไร ก็ให้สามเณรสามเณรก็ต้องฉดาดเก็บเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้ทําให้เป็นกัปติยะให้สมควรถวายกับพิกจุโดยที่ไม่ให้พระพิจุตมีอะไรกัปิยะภูมิจัตถาจบจะแสดงของฉันเล็กน้อยที่พระองค์ทรงอนุญาตไว้ในเพศตัชขันตกะที่ควรจะพึงรู้ข้อหนึ่งที่สุเป็นโรครมพระองค์ทรงอนุญาตให้หุงน้ํามัน ข้อหนึ่งน้ำมันนั้นจะต้องเจือของเมาเป็นต้นวัตถุราพราองค์ทรงอนุญาตให้เจือของเมาในน้ำมันที่หุงนั้นข้อหนึ่งทรงห้ามว่าน้ำมันเจือของเมามากนักอย่าพึงดื่มกินถ้าเธอใดดื่มกินพึงให้พระวินัยทรนจับตามธรรมแล้วทรงอนุญาตว่าในน้ำมันที่หุงอันใดสีและรสและกลิ่นแห่งของเมาไม่ปรากฏให้ดื่มกินน้ำมันที่เจือของเมาเช่นนั้น ข้อหนึ่งทรงอนุ ญ, ญาตให้พิจุถูกงูกัดฉันยามหาวิกัดสี่อย่างดังกล่าวแล้วข้อหนึ่งทรงอนุ ญ, ญาตให้พิจุที่ดื่มยาพิษเข้าไปแล้วให้ดื่มคูดที่เจือน้ําเอาคูดไปเจือน้ํานี่อ้วกแน่นอนเลยยาพิษนีนจะได้ออกมาให้ดื่มคูดกินแล้วแล้วก็ทรงอนุ ญ, ญาตว่าเมื่อทํารับสิ่งใดอยู่สิ่งอันนั้นเป็นอันทําซึ่งอันรับแล้วอย่าพึ่งกลับรับอีกเลยหมายถึงว่ากุจระนี่นะ สามารถถือเอาได้เลยสามารถถือเอาไม่ต้องรับประเคนถ้าขูดนั้นตกถึงพื้นแล้วให้พึงรับประเคนใหม่แต่ยังไม่ถึงพื้นจะถือเอาควนโยข้อหนึ่งต้องอนุญาตให้พิตุที่เป็นอาพาธด้วยต้องยาแฝดให้ถือเอาดินติดฐานไถนำมาละลายน้ำดื่มกินนี่ก็แก้โรคยาแฝดคนมาทำาสนียาแฝดต่างนี่ก็ให้เอาดินติดฐานไถนี่มา ละลายน้ำดื่มกินได้ข้อหนึ่งทรงอนุ ญ, ญาตให้ดิจุบไข้าทาตเสียขับหนักอุจจาระออกยากเป็นพวกเถาดานให้ดื่มกินน้ำด่างอามิตรน้ำด่างนั้นที่เขาเอาข้าวตุบเผาไฟให้ไหมเป็นเท่าแล้วก็เกลกรองชื่อว่าน้ำด่างอามิตรเอามาดื่มทําให้ระบายได้นะทําให้ระบายธัตหนักเหล่าเนี้ยอุจจาระไม่ออกออกยากก็ได้ทําให้เบาบางได้ ข้อหนึ่งทรงอนุ ญ, ญาตให้พิจูเป็นโรคผอมเหลืองดื่มกินน้ำสมอดองด้วยมูดโค ข, ข้อหนึ่งทรงอนุ ญ, ญาตให้พิจุมีกายอันหนาได้โทษ ด, ดื่มกินยาประจุข้อหนึ่งพิจูต้องการด้วยอัจฉะกันชิกะก็ะคือน้ำสาวข้า ว, าวที่ใสเพื่องค์ก็ทรงอนุ ญ, ญาตข้อหนึ่งพิจูต้องการด้วยอตะตะยูสะคือน้ำดื่มเขาทำวิเศษด้วยมูดไม่สนิท พระองค์ก็ทรงอนุญาตข้อหนึ่งที่สุด ต, ต้องการด้วยกตากะตะคือน้ําดื่มเช่นนั้นที่สนิทน้อยหนึง่งพระองค์ก็ทรงอนุญาตข้อหนึ่งที่สุด ต, ต้องการด้วยปฏิจฉาณิยะคือน้ําเนื้อต้มและก็คือเคี่ยวหรือว่ากลัน่นพวกซุบพระองค์ทรงอนุญาตข้อหนึ่งพระองค์ตรัสว่าถ้าเขาเจือแป้งและเท่าลงในน้ําอ้อยเพื่อผูกพันคือจะให้เหนียวแน่นจะให้ เกาะตัวได้น้ำอ้อยนั้นก็นับว่าเป็นน้ำอ้อยแท้เราตถาคตอนุ ญ, ญาตให้บริโภคน้ำอ้อยตามสบายก็ ถ, ถือว่าเป็นอภัยได้ไปพวกขี้เท่าพวกแป้งอะไรต่างๆข้อหนึ่งพระองค์ตรัสว่าถ้าแม้ถั่วสุกแล้วกลับงอกขึ้นอีกเราตถาคตอนุ ญ, ญาตให้บริโภคถั่วตามสบายพระกังขาฤวดตาสงสัยบุคคลบริโภคถั่วเข้าไปแล้วก็ถ่ายออกมาถ่วมนงอกขึ้นมาได้ยังไงเอ๊ะถั่วมันยังเป็นอยู่นี่ ทุกเจ้ากอนุญาตนะว่าถวนแม้กระทั่งไปต้มนม้ําก็ยังสามารถมเมล็ดนี่มันก็งอกขึ้นได้มันก็ฉันได้ทรงอนุญาตให้ทิจูดเป็นไข้ด้วยโรคลมในท้องบริโภคยาโลนะโสจิรกะถ้าไม่เป็นไข้ให้เจือน้ําบริโภคด้วยบริโภคดังปานะน้ําดื่มข้อหนึ่งทรงอนุญาตน้ําอ้อยก้อนแก่ทิจูดไข้ถ้าไม่เป็นไข้ให้เจือด้วยน้ําดังกล่าวแล้วในก่อนให้ละนายน้ําฉันถ้าไม่เป็นไข้ถ้าเป็นไข้ก็เคี้ยวกินได้เลย ของฉันที่พระองค์ทรงอนุญาตดังกล่าวมานี้ในบาลีไม่ได้กําหนดว่าให้ฉันในการหรือว่าในวิการให้ผู้มีปัญญาพึงใไข่ครควนเอาเถิดถ้าป่วยก็ในวิการก็ฉันได้เรื่องหนึ่งว่าครั้งหนึ่งนั้นในเมืองสาวัตถีมีของเคี้ยวคือผลไม้เกิดขึ้นมากแต่กับยิกการรกคนผู้ทํากับยักษ์หามีไม่พิสูจทั้งหลายก็รังเกียจอยู่ไม่ฉันผลไม้ จึงทูลความแด่พระองค์พระองค์จึงทรงอนุญาตว่าอนุชานามิพิขเวอภีชังนิปตะพีชังอาตตะกับปียังพลังปริพุนชิตุงแปลว่าเราตถาคตอนุญาตให้ฉันผลไม้ที่ไม่มีพืชคือยังอ่อนอยู่ไม่งอกหน่อได้และผลจะพึงกล้อนเอาพืชออกเสียดังขนุนเป็นต้นถึงไม่ได้ทํากับอิยะก็เอาเถิด ซึ่งว่าพิสุทั้งหลายรังเกียจอยู่ไม่ฉันนั้นชรอยจะรังเกียจว่าจะเป็นภูตคามะพีชะคามะสมาดัมภะคือทําภูตคามและพีชะคามให้กําเริบในขุทกกะขันทกะว่าพระองค์ทรงปาราบพระฉับพระคีพิสุฉันมะม่วงในสวนหลวงที่พระเจ้าพิมิสารตรงอนุญาตเสียหมดตั้งแต่ยังอ่อนอยู่แล้วทรงบัญญัติห้ามว่าอย่าพึงฉันผลมะม่วง ถ้าฉันต้องทุกโกรธคราวนั้นหมู่ทายกพวกหนึ่งถวายสัมพัสเอาชิ้นมะม่วงปนในถั่ปะมาด้วยพิจุทั้งหลายก็รังเกียจไม่รับพระองค์ก็ตรัสว่ารับเธอฉันเธอแล้วก็ทรงอนุญาตว่าอนิชานามิพิกเวก็ความละอัมพระเปติ ก, กัมก็อนุญาตชิ้นมะม่วงคราวนั้นทายกหมู่หนึ่งก็ถวายสัมพัสใหญ่ตรงเขาทั้งหลายนั้นไม่ทันจักทาชิ้นมะม่วงจึงอังฆาสผลมะม่วงทั้งลูกในโรงฉัน พี่สูกรทั้งหายก็รังเกียจอยู่ไม่รับพระองค์ก็ตรัสว่ารับเธอฉันเถิดแล้วทรงอนุ ญ, ญาตว่าอนุชานามิพิคเวก็ความรักปัญจะหิตสมณะกับเตหิพลังปริคุณชิตุงอาคีปริกิตตังตัฏฐ์ปริกิตตังนักขะปริกิตตังอะพีชันนิ ป, ปะตะพีชันเยวะปัญจมังแปลว่าเราจะถ่ายทอนอนุญาตให้บริโภคผลไม้ด้วยสมณะกับปา ก, กรรม ที่ควรแก่สมณะห้าอย่างก็คือผลจดด้วยไฟผลจดด้วยตะตราผลจดด้วยเล็บแล้วก็ผลไม้ไม่มีพืชและผลที่มีพืชจะพึงปล่อนเส้าได้เป็นที่ห้าในอภิคถาปูตคามาัสขาบทประชักอัลบาลีนี้ไปกล่าวว่าพืชมีรากไม้เป็นต้นที่เกิดอยู่ในที่ชื่อว่าปูตคามเป็นวัตถุแห่งปานพิตรี เพื่อนั้นเมื่อพลาดให้พ้นจากที่แล้วชื่อว่าพีชคามเป็นวัตถุแห่งทุกบทพีชคามนั้นเมื่อจะบริโภคพึงใช้อนุสบันว่ากัปปิยังตระหิบอกกับอานุสบันนะเธอจึงทําให้สมควรเธอจึงทําให้เป็นกัปปิยะดังนี้เสร็จอีกแล้วจึงบริโภคเมื่อเป็นเช่นนี้ชื่อว่าให้พ้นจากพีชคามก็แลจะทํากัปปิยะนั้นจึงทําด้วยไปหรือศาสตราหรือว่าเร็บ เมื่อจะทำกับปิยด้วยไปพึงเอาไฟอันใดอันหนึ่งจดเข้าในประเทศอันหนึ่งแห่งพืช น, นั้นกล่าวว่ากับปิยทําทเถิดเมื่อจะทําด้วยศัตราพึงแสดงด้วยการแทงหรือว่าด้วยการตัดด้วยจงอยหรือว่าคมแห่งตัดราที่คมอันใดอันหนึ่งโดยที่สุดแม้เข็มและมีตัดเล็บเป็นต้นทําดังไปนั้นเถิดเมื่อจะทํำด้วยเล็บพึงเอาเล็บแห่งมนุษย์หรือว่าแห่งเดรฉานอันใดอันหนึ่งที่ไม่ผก เว้นแต่กีบโครหรือว่ากีบกระบือเป็นต้มเสียเล็ดนอกนั้นโดยที่ตดตัดเอามาก็ได้พึงทําตัวอย่างซึ่งว่าแล้วในสัตรานั้นเอิอพริกสดเขาปนในข้าวต้มมาไม่ติดเนื่องกันพึงแทงทุกๆเม็ดจะแทงได้ยังไงเนาะก็มันไม่ติดตกันแล้วก็เป็นน้ําด้วยนั้นก็ทําได้ก็คือว่าเทลงในข้าวสุกเทลงในข้าวสวยตัดขึ้นมาเทในข้าวสวยแล้วก็ ให้มาทำกับพิยะที่ข้าสวยแทงที่เจ้าสวยก็ได้ทำกับพิยะเสียฝนมะเกล็ดเป็นต้นพืชข้างในหลุดจากกลาคลอนอยู่พึงให้ต่อยออกแล้วก็ทำกับพิยะถ้าติดกันอยู่ไซจะทำแม้ในกลาก็ควรก็แลผลอันใดเป็นของอ่อนไม่มีพืชและผลใดที่พืชปล้อนออกเสียบริโภคได้กิจที่จะทำกับพิยะในผลนั้นไม่มีเพราะฉันก็ พวกมะม่วงบวกส้มต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่มีผู้ที่ทำกับิญญให้ก็จะปล่อนมเมล็ดออกแล้วก็ฉันอันนี้ก็ไม่เป็นไรด้วยทรงอนุญาตเท่านี้พึงรู้เถิดว่าผลมะม่วงและผลไม้อื่นและพีชกรรมทั้งปวงอ่อนและแก่ใดๆเป็นของควรตามสารแห่งตนแห่ง ต, น, งตนนั้นกุท ธ, ธะตก ะ, ะ, ะถาจบเรื่อ ง, องของฉันเล็กน้อยต่อไปก็จะแสดงในมหาประเทศสี มีพระบาลีว่ายังทิคเวเมยาอีดังนักปติติอปาติกิตังตังเจอักกปิยังอนุโลเมติกักกปิยังปฏิบาหติตังโวนักปติข้อความละยังท ang, an ah ิขเวเมยาอีดังกาปติติอนุนญยาตังตังเจกาปิยังอนุโลเมติอักกปิยังปฏิบาหติตังโวกัาปติความว่า ดูก่อนที่สุดทั้งหลายข้าพี่หนึ่งของสิ่งใดที่เราตถาคตยังไม่ได้ห้ามว่าสิ่งนี้ไม่ควรถ้าของนั้นอนุโลมตามของที่เป็นอกตพิยะย่อมห้ามเสียซึ่งของที่เป็นอกตพิยะใจของนั้นไม่ควรแก่เธอทั้งหลายปฏิท o n อันหนึ่งของสิ่งใดที่เราตถาคตยังไม่ได้ห้ามว่าสิ่งนี้ไม่ควรถ้าของนั้นย่อมอนุโลมตามของที่เป็นกตพิยะย่อมห้ามซึ่งของที่เป็นอกตพิยะใจ ของนั้นย่อมควรแก่เธอทั้งหลายอันหนึ่งข้อที่สามของสิ่งใดที่เราตถาคตยังไม่ได้อนุญาตว่าสิ่งนี้ควรถ้าของนั้นอนุโลมตามซึ่งของที่เป็นอกตัญญะย่อมห้ามซึ่งของที่เป็นอกตัญญะของนั้นย่อมไม่ควรแก่เธอทั้งหลายอันหนึ่งข้อที่สี่ของสิ่งใดที่เราตถาคตยังไม่ได้อนุญาตว่าสิ่งนี้ควรถ้าของนั้นอนุโลมตามซึ่งของที่เป็นอกตัญญะ ย่อมห้ามซึ่งของที่เป็นอัตติยะไจของนั้นย่อมควรแก่เธอทั้งหลายเป็นตรีข้อด้วยกันสองข้อข้างต้นว่าด้วยบัญญัติห้ามจนสองข้อข้างซ้ายว่าด้วยอนุญาตไม่ได้ห้ามสองข้อแล้วก็ไม่ได้อนุญาตสองข้อแต่ว่าดูสิว่าสิ่งไม่ได้ห้ามไม่ได้อนุญาตนั้นะมันเข้ากันแั่สิ่งที่ควรหรือว่าไม่ควรเข้ากันแั่สิ่งที่เป็นสัพพิยะหรือว่าไม่เป็นสัพพิยะ ถ้าเข้ากันได้กับสิ่งที่เป็นกัติยะแม้ไม่ได้ห้ามหรือว่าไม่ได้อนุ ญ, ญาต ไ, ไ, ไว้ก็ควรแก่เธอทั้งหลายแต่ถ้าเกิดเข้ากันได้กับสิ่งที่เป็นอัตถิยะขัดกันกับสิ่งที่เป็นกัติยะถึงแม้ไม่ได้ห้ามไม่ได้อนุญาตไว้ก็ไม่ควรแก่เธอทั้งหลายในอาตถกถาว่าพระองค์ทรงแสดงมหาประเทศสี่นี้เพื่อจะให้พิกสุททั้งหลายถือเอาในเพือให้เป็นตัวอย่างก็จะเทียบเคียงนั่นเองถ้าธรรมสังฆาหากตะเทระทั้งหลายท่านถือเอาตูด คือบาลีที่ทรงบัญญัติและอนุญาตในที่นั้นๆมาสงเคราะห์เข้าในมหาประเทศสีน่นี้ได้เห็นความดังนี้ว่าด้วยบาลีที่ทรงอนุญาตรถแห่งผลไม้ทั้งปวงเป็นปานะห้ามแต่รถผลแห่งข้าเปลือกว่าทัปเตตวาธัญะพละระสังดังนี้ด้วยคํานี้ชื่อว่าห้ามข้าวเปลือกเจ็ดประการว่าไม่ควรในประ ช, ชามภัส ยังมหาผลอีกเก้าอย่างก็คือผลตาลผลมะพร้าวผลขนุนผลสาเกผลน้ำเต้าผลแตงโมผลแตงร้านหรือว่าผลแตงไทยฟักเหลืองก็ดีและอปรณชาตทั้นปวงเป็นต้นว่าทัวนากระดีเป็นสติแห่งข้าวเปลือกแท้ของเหล่านั้นแม้ถึงพระองค์ไม่ทรงห้ามประจริงแต่ย่อมอนุโลมตามของเป็นอัตติยะ เพระเหตุนั้นมหาผลและอปรรณชาติทั้งปวงย่อมไม่ควรในปัจฉาพัทพระองค์ทรงอนุญาตอัฐบานน้ำดื่มแปดไว้แล้วส่วนน้ำดื่มทำด้วยผลไม้เล็กนอกนั้นเป็นต้นว่าลูกหวายมะขามมะงวมะขีด ต, ตะเค้อเล็กเยี่ยวเหล่านี้ก็เป็นคติแห่งอัฐบานแปดแท้น้ำดื่มทำด้วยผลเล็กนั้นแม้ถึงพระองค์ไม่ได้ตรงอนุญาตก็จริง แต่ย่อมอนุโลมตามของที่เป็นกัพพิยะเพราเหตุนั้นน้ำดื่มทำด้วยผลเล็กนั้นย่อมควรด้วยว่ายกรดผลแห่งข้าวเปลือกกับทั้งอนุโลมเสียน้ำดื่มทำด้วยผลอื่นชื่อว่าไม่ควรนั้นไม่มีเป็นยามาคาลิศได้แท้คำนี้กล่าวไว้ในอัจฉริยปุรุณทีและพระองค์ทรงอนุญาตจีวรหกอย่างก็คือผ้าโคมะทาด้วยเปลือกไม้ถอด้วยเปลือกไม้ กับปาติกปะปะทอดีฝ้ายโกติยะทอด้วยไหมายกามพละปะทอด้วยขนสัตว์ยกเว้นผมมนุษย์ก็ขนหางสัตว์สานะปะทอด้วยเปลือกสานะแล้วก็พังคะทอด้วยได้ห้าอย่างนั้นประสมกันอนุญาตไว้ดังนี้ถ้าธรรมสังขากะเพระทั้งหลายท่านก็อนุญาตท่าอื่นอีกหกอย่างก็คือท่าทุกกูละท่าปะคุณะท่าจีนะปะัปตะท่าโสมาระปะตก ผ้าอิธิมจิกาแล้วก็ผ้าเทวทัตติยะเหล่านี้ก็ให้เป็นอนุโลมแก่จีวรหกอย่างเดิมนั้นผ้าที่เกิดด้วยตัวสัตว์ในปะุณประเทศชื่อว่าป ะ, ะุณและผ้าจีนปะตัดโสมารบประตะสองนี้ก็เรียกตามชื่อแห่งประเทศผ้าสามอย่างก่อนนั้นเป็นอนุโลมผ้าโกสยะผ้าทุ ก, กุระเป็นอนุโลมของผ้าสารนะ ผ้าสองอย่างนอกนั้นก็เป็นอนุโลมของผ้าตปาสิกะหรือเป็นอนุโลมของผ้าทั้งปวงก็ได้พระองค์ทรงห้ามว่าบาดสิบเอ็ดอย่างเป็นต้นว่าบาดไม้ทรงอนุญาตบาดสองอย่างก็คือบาดเหล็กกับบาดบินส่วนถาละกะก็คือภาชนะเครื่องใช้ที่ทําด้วยโลหะหรือทําด้วยดินทําด้วยทองแดงสามอย่างนี้เป็นอนุโลมบาดสองอย่างนั้นแท้พระองค์ทรงอนุญาต ตุงพระคือภาชนะสำหรับตักตวงสามอย่างก็คือทำด้วยโลหะทำด้วยไม้แล้วก็ทำด้วยผลไม้ไว้ดังนี้ส่วนกุณฑีกุณฑีน้ำและขันทองห้าและกระออมน้ำเป็นอนุโลมตุงพระสามนั้นแท้แต่ในกุรุนทีกล่าวว่าสังดื่มน้ำขันน้ำเป็นอนุโลมตุงพระสามนั้นพระองค์ทรงอนุญาตประนดเอวไว้สองก็คือประค yes, ์เย็ทอเป็นแผ่น และประคตเย็บทอดังไส้หมูไว้ดังนี้ส่วนประคตทําด้วยแผ่นผ้าและทําด้วยเชือกว่าเป็นอนุโลมประคตสองอย่างเท่านั้นพระองค์ทรงอนุญาตร่มฉับสามอย่างคือร่มหุ้มผ้าขาวและร่มสาลด้วยตอกไม้ไผ่และร่มทําด้วยใบยไม้ไว้ดังนี้ร่มใบไม้แต่อย่างเดียวดังใบาตาลใบาลานว่าเป็นอนุโลมในร่มสามอย่างนั้นแท้ แม้ของอื่นซึ่งจะเป็นอนุโลมของที่เป็นกัปยะและอากกัปยะนักปราดพึงตามดูพิจารณาซึ่งบาลีและอัตถารู้ให้แจ้งโดยในดังกล่าวมานี้เถิดนี่ก็เป็นเรื่องของมหาประเทศจบจะตุดถังกาลิกะปับบังจบข้อว่าด้วยเรื่องของกาลิกตีวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการแด่ท่านทั้งหลายผู้ที่เอือเฟื้ออนุเคราะห์มีศรัทธาในการทศึกษา พระวินัยซึ่งเป็นอธิศิลศิศึกษาเพื่อคูลแก่อธิจิตอธิปัญญาก็ขอให้ท่านได้พรั่งช้อมด้วยศึกษาสามบริบูรณ์ในจิตใจแล้วก็ตัดรู้อริยตัจธรรมเป็นสาวก ข, ของพระสมมาสัมบุริเจ้าในาไมีเนิรนชานี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ